ทีก็เป็นพวกมกักมากฤทธิ์ท่านเยอะนะคือมาแล้วไม่ได้เรื่องเนยนะท่านไม่เทศให้เปลืองแหรงท่านเลยพระมาหากัสปะพราท่านอายุเยอะนั่นความพร้อมของคนฟังเนี่ยเป็นตัวชี้ขาดเลยอีกอย่างความพร้อมของคนเทศอย่างพระพุทธเจ้าท่านแก่แล้วท่านเทศไม่ไหวอะไรอย่างงี้ท่านเหนื่อยมากพระพุทธเจ้าทําทงานแทบตลอดเวลา เวลาพักของท่านมีไม่มากตื่นเช้าท่านก็ต้องดูแล้วว่าวันนี้ท่านควรจะสอนใครเช้าก็ไปบินธบาตบินธบาตเสร็จแล้วก็เลยไปสอนบุคคลที่เข้ามาในข่ที่ท่านจะไปโปรดตอนกลางวันตอนบ่ายกลับมาวัดญาติโยมก็ามามาฟังธรรมตอนเย็น ญาติยโยมฟังทำเสร็จแล้วสอนพระจนเที่ยงคืนทเที่ยงคืนแล้วไม่ได้นอนนะสอนเทวดาต่อเวลาทํางานของท่านแทบไม่ได้หยุดเลยบางทีท่านก็ไม่ไหวเหมือนกันท่านก็หลีกเล่นเป็นช่วงๆขอพักอเข้าไปอยู่ในป่าแล้วก็กําหนดไว้เลยว่า ห้ภิกษุเข้าไปหาโยงเว้นภิกษุที่เอาอาหารไปส่งท่านเอาบัตรใส่อาหารไปให้ท่านภิกษุทั้งหลายเนี่ยก็ถือกติกานี้กันนะเคยมีองค์หนึ่งเป็นพระเอตตะทักคะด้วยท่านละเมิดกติกานี้นะท่านท่านมาจากที่ไกลน่านพาลูกศิษย์ท่านมาแล้วก็เข้าไปกราบพระพุทธเจ้าตอนที่ท่านหลีกเล่นพะพุทเจ้าประเทศให้ฟัง พอออกมาแล้วภิกษุทั้งหลายตีเตียนว่าอาบัติละเมิดกติกาคือภิกษุทั้งหลายเนี่ยพระพุทธเจ้าหลีกเล่นนะภิกษุทั้งหลายก็เลยไปออกกติกากันเองบอกว่าระหว่างที่พระพุทธเจ้าหลีกเล่นเนี่ยถ้าภิกษุองค์ใดที่ไม่ใช่ภิกษุที่ส่งอาหารเข้าไปพบเนี่ยอาบัติถือว่าอาบัติเพราะฉะนันถ้ามาปรับอาบัติพระหลวงพ่อลืมชื่อท่านนะองค์เนี้ย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 ศึกษาพฤติกรรมของพระแต่ละองค์แต่และองค์งนะพระสาวกรุ่นน้นเป็นตัวอย่างที่งดงามเหลือเกินแต่และองค์แต่พระเร็วๆก็มีนะอย่าไปเอาอย่างพระฉับพคกีพระเลยแต่ฉับพักขีมีข้อดีพระฉับพักคีเนี่ยเป็นต้นบรรดัพระวินเนี่ยเยอะที่สุดเลยแต่ว่าแกฉลาดฉับพกีเป็นพวกหคนปัญจวัคคีเนี่ยพวกห้าคน พวกพัญจวักขีนี่พวกดีพวกฉับพคีนี่พวกหาเรื่องชอบทําอะไรแผลงๆก่อเรื่องตลอดเวลาแต่ว่าพระพุทธเจ้าห้ามนะบัญญัติว่าอย่างนี้เป็นความผิดฉับพัีไม่มีความผิดเพราะเป็นต้นบัญญัติเป็นคนทําผิดคนแรกยังไม่มีกฎหมายฉับพักขีจะไม่ทําซ้ําในสิ่งที่พุทธเจ้าบัญญัติแล้วก็จะมีอินโนเวชั่นพัฒนาตลอดเวลา ถ้าไม่มีพระกลุ่มนี้นะศีลสองร้อยยิบเจ็ดจะไม่มีมีไม่ถึงอะ่ะบางทีพวกก่อเรื่องก็ดีเหมือนกันนะเป็นต้นบรรจัตแต่แกดีตรงที่ว่าถ้าอะไรห้ามแล้วไม่ทำแกแผลงแลงนะถึงขนาดมีคราวหนึ่งสมัยแรกๆเนี่ยการบวชพระเนี่ยไม่ได้กำหนด อ, อายุหกเจ็ดขวบอะไรก็บวชได้แล้วเป็นพระ เกิดทุพพิกภัยหดอยากอย่างตอนนี้น้ำท่วมเยอะแยะนะพ่อแม่หายไปเลยนะพวกเด็กๆ ก, ก็มาบวชอยู่ในวัดเยอะแยะเลยก็เป็นภิกษุด้วยภิกษุพวกนี้กลัวผีชาวพัคกีจะคอยหลอกผีมาผีมาร้องไห้กระจองออกแงนะพรเจ้าก็บัญญัติห้ามภิกษุหลอกผีหลอกผีดุตรงนั้นหลอกเด็กอะนะนะม แกก็ไม่ไม่ไปแกล้งเด็กพวกนี้ไปหาอย่างอื่นจเจอพระหน้าบื้องมาจับจีเอขาดใจตายเลยนะพรเจ้าก็บัญญตัตนะิห้ามไปจีเอลภิกษุตัวรอดตลอดเลยนะเพราะเป็นต้นต่อความคิดนี้บันเจิดตลอดเวลาเลย เมื่อเช้าหลวงพ่อพูดเรื่องอนาปนาสติให้ฟังไม่มีที่ไหนหรอกอย่เนี้ยเล่าให้ฟังในตำราก็ไม่ได้เขียนไว้มากมายอย่างนั้นไม่ได้แจกแจงพิสดารอานาปนาสติเรามีสติอยู่ทุกลมหายใจเนี่ยดีมีสติไปอยู่ที่ลมหายใจแล้วลมหายใจจะค่อยสั้นทีแรกลมยาวนะ หายใจแล้วมันสั้นขึ้นสนั้นขึ้นแล้วกลายเป็นความสว่างอย่างนี้ก็ยังดีได้สมถะถ้าหายใจแล้วเคลิ้มขาดสติไปนะอันนี้ไม่ดีสติอ่อนไปนะหายใจแล้วแน่นแข็งปกขึ้นมาเลยเครียดเครียดแข็งแข็งอันนี้สติแรงไปไม่ดีจงใจมากไปนะถ้าพอดีพอดีนะัลมหายใจสบายสบายลมจะค่อยสัน้สนๆแลสว่าง พอสว่างแล้วเนี่ยจะเล่นกสินก็ได้เล่นกับสินแสงสว่างนะอยากรู้อยากเห็นอะไรก็รู้ได้อยู่ได้ที่พรจักสุกกับสินแสงสว่างหรือกับสินลมศนะินลมก็ได้เห็นลมหายใจมันไหลเข้าไหลออกเปนะกับสินดินก็เห็นร่างกายที่หายใจนะไม่ได้ดูตัวลมตรงๆในลมหายใจก็ยิงอยู่กับร่างกายก็ใช้ได้ทําได้หลายอย่างนะพลิกแปลงได้เยอะแยะ ไม่เล่นกะสินก็ไม่เป็นไรนะไม่ให้จิตเข้าไปจับหลมนะก็สงบเข้ามาเข้าอุป จ, จารสมาธิแลได้อุป จ, จารสมาธิแล้วเดินปัญญาในอุป จ, จารสมาธิก็ได้เลยเข้าอัปปนาสมาธิไปพักอยู่ในอัปปนาสมาธิเป็นที่พักของจิตก็ได้ทาสมถะออกจากอัปปนาสมาธิมา มาแยกธาตุแยกขันมาเดินปัญญานี่เป็นสมาธินำปัญญาถ้าชํา น, นาญในฌานแล้วก็ชำนาญในการดูจิตก็ไปเดินปัญญาในฌานตอนเข้าฌานนี่ปัญญากับสมาธิควบกันนะคือไปเห็นองค์ฌานเกิดดับ1ในแสนเพราะฉะนั้นนะหายากยุคนี้ใช้เดินปัญญากับสมาธิควบกัน เดินปัญญาการสมาธิควบกันเนี่ยบรรลุพระรหันต์าาไม่ได้เรียกว่าอุพตโภคมีมุดนะบางคน น, นึกว่าเดินปัญญาการสมาธิควบกันแนละ้เป็นพระรหันต์ชนิดอุพตโภควีมุตดไม่ใช่อุพตโภคมีมุดเนี่ยต้องเข้าอัปนาสมาธิถึงขั้นอรูปฌานไม่มีรูปดับรูปด้วยอรูปดับนามด้วยวิปัสสนา งันถ้าบรรลุพระอรหันต์บรรลุทำในอรูปฌานจะได้เรียกว่าอุปโตภาควิมุตตนะนี่ถ้าทำวิปัสสนาในฌานไม่ได้ก็นะอถอยออกมาจากฌานมาเดินปัญญาพิจนากายไม่ควรไปดูจิตมากหรอแต่บางคนก็ดูจิตได้หลวงพ่อพุธก็สอนออกจากสมาธิมาแล้วดูจิตที่เปลี่ยนแปลง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 ทำอนาปนสติแล้วก็มาถึงเวทนานุปัสสนาหายใจไปแล้วจิตสงบก็รู้หายใจไปแล้วจิตฟุ้งซ่านก็รูนะ้นี่ขึ้นมาจิตตานุปัสสนาะหายใจไปแล้วเห็นจิตมันปรุงแต่งมันทํางานไดนะ้เห็นรูปก็ส่วนรูปนามก็ส่วนนามขันห้าแตกกระจายออกไปนะอันนี้ขึ้นไปทำานุปัสสนา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 หรือทจนเครียดสติแตกไปเลยนะก็เป็นไปได้ทําแล้วก็พลิกไปทางกสินนะเล่นอภิญญาก็ได้นะทาแล้วเข้าฌานเพื่อพักผ่อนออกจากฌานมามาเดินปัญญาดูกายก็ได้ดูจิตก็ได้นะทําแล้วเข้าอัปปนาสมาธิเข้าฌานจเจริญปัญญาอยู่ในฌานเลยก็ได้ ทำแล้วเข้าฌานไม่ได้เห็นร่างกายหายใจใจเป็นคนดูอยูนะ่เห็นร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราเดินปัญญานะใช้ปัญญานำสมาธิก็ได้นะไปดูจิตดูใจหายใจไปจิตเป็นอย่างนั้นจิตเป็นอย่างนี้รู้ทันนะนี่เดินปัญญาดูจิตเดินปัญญาดูกายเดินปัญญาดูจิตนะแจกแจงให้ครบก็คือการทำสติปัฏฐาน4ี่ครบทั้งหมดเลย เปลนกายมันหายใจใจเป็นคนดูกายไม่ใช่เราเป็นกายานุปัสสนาะหายใจไปมีความสุขหายใจไปความสุขหายไปหายใจแล้วมีความทุกข์ sketch, หายใจแล้วความทุกข์หายไปหายใจแล้วมีอุเบกขาแล้วอุเบกขาหายไปอันนี้เป็นเวทนานุปัสสนาะหายใจแล้วฟุ้งซ่านรู้ว่าฟุ้งซ่านหายใจแล้วสงบรู้ว่าสงบหายใจไปแล้วจิตรวมเป็นมหคนะัตะ หายใจแล้วจิตไม่รวมเนี่นี่เป็นจิตตานุปัสสนาหายใจแล้วเห็นขันกระจายตัวไปแต่และขันทํางานของขันเป็นขันถับในธรรมานุปัสสนาหายใจไปแล้วโพชชงเกิดขึ้นมีสติรู้ลมหายใจมีความเพียรที่รู้ลมหายใจมีชันท่าหายใจแล้วสบายใจวิริยามก็เกิดมีความเพียร นะตามรู้ตามเห็นในตัวที่หายใจอยู่ไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขาเรืเ่องธรรมวิจยะนะมีปีติขึ้นมาอันนี้ไม่ใช่ปีติในฌานเป็นต ป, ปีติเพราะมีปัญญานะมีปีติแล้วสติรู้ทันปีติหายใจไปมีปีติรู้ทันปีติดับสงบพามาเป็นปัสสัทธินะกเป็นสมาธิจิตตั้งมั่นจิตเป็นอุเบกขาเห็นจิตมันเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงไป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 ตัณหาก็เกิดอยากให้มันหายไปอยากให้ความทุกข์หายไปนะมีตัณหาขึ้นมาจิตใจก็มีความทุกข์ขึ้นมานี่เห็นปฏิจจสมปรบาทนี่หนะลวงพ่อไม่เห็นนี่กรรมฐานอะไรนะอัศจ ร, รเหมือนานาปนาสตินะลึกล้ํำจนถึงขนาดยอมรับเต็มปากเต็มคํานะเต็มหัวใจเลยเป็นกรรมฐานของพระมหาบุรุษ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 ที่วันวันเต็มไปด้วยความวุ่นวายหายใจไปอย่าอยู่หายใจนะหายใจไว้ก่อนวันนี้ขอแค่นี้นะ